ด้วยเหตุผลและความหมายที่แตกต่างกันนะเรเับคนส่วนใหญ่นะวันนี้ก็หมายถึงวันแห่งความสนุกสนานรื่นเริงนะเพราะว่าโดยเรียกว่าเป็นวันแห่งความรักวาเลนไทน์แต่ว่าความหมายอที่แท้จริงคือการที่ได้สนุกนะได้ เป็นวันที่ได้เที่ยวได้บนเปลิดกิเดสของตัวเองแต่ว่าอาสรชอาพูดแล้วนี่วันนี้เป็นวันที่มีความหมายในทางธรรมวันมาพักบูช า, าซึ่งเดี๋ยวนี้คนไทยก็รู้จักน้อยกว่า วันวาเนไทน์ะอีกไปถามนักเรียนว่าที่มามาหาเมื่อตอนบ่ายว่าวันนี้เป็นวันอะไรเดี๋ยวก็ตอบว่าวันพฤหัสครับไม่ได้รู้สึกหรือว่ามันสำคัญอย่างไรทั้นที่เป็นวันดุวันาวันมกข้าบูชานี่พวกเราก็ คงจะได้รู้ประวัติความเป็นมาพอสมควรอยู่แล้วนะว่าเมื่อ 2,601 ปีนะนนที่ถ้านับตามปฏิทินของไทยได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นนะที่ภายหลังเรียกว่าอีกเรียกชื่อ ว, วันจาตุรงคสันนิบาตเพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์พร้อมกับ พระรหันตินาศหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปได้มาประชุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นักหมายหลังจากที่พระพระทธงได้ตัสรุ้เก้าเดือนหรือว่าหลังจากที่ผ่านพรรษาแรกไปพระรันทั้ง1ันสองรหสิบรูปนั้นก็ู้วแล้วแต่ทรงอภิญญา แล้วก็จะรับ ก, การบวช ด, ด้วยพระองค์เองที่เรียกว่าเอหิภูประสัมปทาซึ่งเป็นการบวชที่ไม่ได้มีพิธีรีตองมากพระพุทโธก็เพียงแต่กล่าวว่าทำเรากาวดีแล้วต้นจงมาพระพุทธมอดจันจรรเพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นพระรัตินาสพ แต่ถ้าได้เป็นพระรหันร์แล้วนั้นก็ไม่มีคําว่าเพื่อมากระทาที่สุดแห่งทุกนั้นอย่างเป็นพระเป็นพระยศนะก็บรรลุธรรมเป็นพระรหันต์ตั้แต่ก่อนบวชได้ซ้ํำเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเพลิดเพลินมาบวชมาขอพระผุณจันทร์โดยที่ไม่ต้องกล่าวว่าเพื่อมาทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกขนะ์ ที่จริงวันเพ็ญเดือนสามหรือเหตุการณ์เมื่อพันสองร้อยเอ็ดปีที่แล้วนี่ก็ยังมีเหตุการณ์สำคัญอีกหลายอย่างเกิดขึ้นนะก็คือว่าก่อนที่จะมีการมาตอนที่พระสงฆ์พันสองรสิบรูปได้จะมาประชุมพร้อมกันนั้นเนี่ยก่อนนั้นนั้นมีกี่ชั่วโมงนะพระสตรบุฎนะก็ได้ บรรลุอรหัตผลคือก่อนตอนนี้ท่ามาบวชนี่ท่านก็เป็นพระโสดาบันอยู่แล้วนะเป็นตั้งแต่เป็นคราวะนะชื่อปฏิสัมมโนนัเป็นพระโสดาบันแลจากที่ได้ฟังอัอสอรของพระอัสสชิบัวงตาก็เห็นทมทันทีแล้วก็เลยมาบวชแต่บวชแล้วนี่ก็ยังไม่ได้ รู้ทมจนถึงขั้นอรหัตผลก็ในวันเป็นเดือนสามนั่นแหละในเช้าวันนั้นที่ได้กำลังถวายงานพระพุทธองค์อยู่นะที่ทำสุกร ข, ข, ขาตาตอนนั้นพระองค์ก็กำลังแสดงธรรมให้ที่คณะปริพาชกฟังซึ่งเป็นลายของพระไตรปุณณนะ์แต่ว่ามีเป็นเดร ถ, ถีมีพิชชทิธิ ถึงกับบอกพระพุธองค์ว่านะความคิดใดๆก็ตามโดยแล้วแต่ไม่เหมาะสมกับตัวเขาเราพรทธองค์ก็เลยย้อนไปว่าเพราะฉะนั้นถ้าฉะนั้นความคิดที่ว่าไม่มีความคิดใดที่เหมาะกับตัวข้าพเจ้าเลยก็ไม่เหมาะกับตัวท่านที่ช่วยด้วยเช่นเดียวกันสุกยอนถามเช่นนี้นะทิคนาคาก็อึ้งไปเพราะว่า ไม่รู้เท่าทันความคิดของตัวเองก็เลยเกิดศรัทธานในพระพุทธองค์แล้วพอพระองค์แสดงธรรมเรื่องอนัตตาภาษไตรปุฎซึ่งกาลังถวายงานพระพุทธองค์อยู่นะพิจารณาตามก็บรุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยในวันวันมาขบูชาก็เป็นวันที่ในแง่หนึ่งก็ทำให้พระพุทธศาสนาได้มีธรรมเสนา บ, บดี นะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่านนะคือพระสารีปุตรส่วนพระโมกรานนั้นทันบรุธรรมเป็นพระรันมาก่อนน้า น, นั้นแล้วเจ็ดวันแปดวันอันนี้ก็เป็นเกร็ดนะที่สืบมาจากวันมาค่าบูชานะทีอ่อาจจะลืมเลือนไปนะดังได้ไดบอกไห้แล้วว่าวันมาค่าบูชาเมื่อ2 6 0พหรอยเอ็ดปี มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นดังที่ว่ามาที่เราที่เว่าบัจัดตุลโงขสานิบาะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านเลยไปอาจจะไม่ได้มีความระลับสําคัญเข้าใดนักถือหาว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสคำสอนที่สําคัญที่เราโออัทาปาติโมก อวสัปปาติโมกอันนี้ก็คือคำสอนสั้นๆที่ถ่ายทอดมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ที่จริงจะว่าเป็นคำสอนที่ทรงมอบให้กับพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่มาประชุมกันในวันนั้นก็อาจจะไม่ถูกนะเพราะว่าท่านเหล่า น, นั้นก็เรียกลู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว ไม่เล่าว่าหมดกิจที่จะต้องทำนะแต่ว่าอาการที่พรอะองค์ต่อสเรื่องโอวาทปฏิมโมกก็เหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆเป็นแนวทางที่มอบให้กับพระอรหันต์เหล่านั้นเพื่อที่จะได้ใช้ในการสั่งสอนอผู้คนคล้ายๆว่าเป็นการมอบแนวทางเอาไว้ ในการทำให้ผู้คนได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นนั้นถ้าเราพิจารณาอวาทปฏิมโมกซึ่งเป็นคำสอนสั้นๆเพียงแค่ไม่กี่บรรทัดซึ่งแตกต่างจากธรรมาจักกะปวตนสูตรยาวมากนะส่วนกันเป็นครึ่งชั่วโมงเลยก็ได้อันนั้นเนี่ย รูอสอนให้กับผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมแล้วก็คือปัญจวคัคคีแต่ว่าพอบรรลุธรรมแล้วนะคำสอนของพระก็สั้นมากนะเราสวดไม่ถึงนาทีก็จบละโอวาทะปฏิมโมกซึ่งก็เป็นการสรุปแก่นแท้ของพุทธศาสนาอันนี้เป็นเป็นตอนแรกขอ ง, ของโอวาทะปฏิมโมค ถ้าจะแยกคำสอนสั้นๆนี้ก็แยกเป็นสามส่วนนะส่วนแรกนี่เป็นข้อสรุปเกี่ยวกับหัวใจของพุทธศาสนาก็ว่าได้ซึ่งสั้นมากก็มีแค่สามก็คือไม่ทำความชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสการไม่ทำบากทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบซึ่งบางท่านก็ ปุสันสาว ะ, ะชั่วทำดีและทาจิตให้บริสุทธิ์คำว่าละชั่วนี่ก็ยังไม่ถูกนะเพราะว่าละชั่วหมายวมีความชั่วอยู่แล้วถึงค่อยละแต่ที่ถูกคือว่าไม่ต้องทำเลยนะนะการไม่ทำบาปทั้งปวงนะการทำกุศลให้ถึงพร้อมนะส่วนใหญ่จะจำได้แค่สองข้อนะเวลาไปถามใครว่า พระเจ้าสอนอะไรพุทธศาสนาสอนอะไรคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าราชั่วทำดีนะหรือบางทีว่าพุทธศาสนาก็เหมือนับศาสนาอื่นนะั้นทั้งหลายสอนเหมือนกันคือราชั่วทำดีอันนี้เราจะเคยดยบยีบ่อยๆทุกวันนี้ยังมีคนพูดอย่างนี้อยู่ก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจหัวใจของพุทธศาสนาอย่างครบถ้วนเพราะว่าตกข้อที่สามไปคือการ ทำรติของตนให้ขาวรอบอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาวนาจิตภาวนาและปัญญาภาวนานั่นเองไม่ทำชั่วทำความดียังไม่พอนะหลายคนก็บอกว่าซือสินไม่บดเบียยนแล้วก็ทำบุญให้ทานแต่นี้ยังไม่พออีกเลอก็อต่อว่ายังไม่พอหรอกสาหรับ ก, การพ้นทุกข์นะ ก็ต้องทำข้อที่สามคือการฝึกฝนอบรมจิตนะทำให้จิตขขาวรอบเรียกว่าสว่างสว่างเพราะไม่มีกิเลสมาทำให้เศร้าหมองหรือมาบดบังให้เศร้าหมองอันนี้คือหัวใจสำคัญพุทธศาสนาที่คนส่วนใหญ่ที่เรียกว่าชาวพุทธนักจะ ตกล่นไปจำได้แค่สองข้อแรกแล้วก็ทำแค่สองข้อนั้นหรือบางทีไม่ทำเลยก็มีนะรู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรแต่ว่าไม่ทำความชั่วก็ยังทำแต่ความดีก็กลับละเลยไม่ต้องพูดถึงการบำเพ็ญจิตภาวนาและปัญญาภาวนา อันนี้จากการหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้สรุปนะหัวใจของผู้รทธาศาสนาแล้วนะนะก็ได้พูดถึงอุดมกติก็ว่าได้นะที่เป็นขั้นตอนเริ่มงแต่ความอดทนคือมีขันติอันะนี้เป็นจะเรียก ว, ว่าเป็นเป็นจุดมุ่งหมายข้อแรกๆข้อเบื้องต้นเลยนะของชาวต้องฝึกให้ได้เรื่องขันติความอดทน อดทนต่อสิ่งร่ำเราเย้ายวนและสิ่งยั่วยุเ ร, ราเราเย้ายวนให้ให้เกิดความรู้ให้เกิดความความเพลิดเพลินหรือว่ายั่วยุให้โกรดนะมันก็มีได้ทั้งสองทางถ้าเ ร, ราเราเย้ายวนให้ให้เพลิดเพลินให้เกิดราคะหรือโรภามันก็ทำให้อยากจะเข้าไปครอบครองบางทีไม่ดูหน้าอินหน้าพรมอะไรทั้งสิ้น ปูจเจ้าให้ได้นยะก็ทำให้เกิดการเลียดเบียนทะลัเกเบาแยงกระทบกรทั่งหรือว่าการโกงอันนั้นก็อันตรายแต่ว่านอกจากสิ่งรอบเราเยอะยุ่แล้วก็ยังมีสิ่งยุ่ยยุนะให้ปรดให้โกรดนะพอปวดแล้วก็ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็สามารถจะทำอะไรก็ได้ ความชั่วทั้งหลายก็เกิดจากความลืมตัวเป็นเบื้องต้นไม่ใช่ลืมตัวเพราะเมาด้วยอำนาจของสุรานะแต่บางทีก็ลืมตัวด้วยอำนาจของหรือเมาด้วยอำนาจของความโกรธแต่ถ้ามีขันตนะิก็จะช่วยทำให้ราคะหรือโลภะรวมทั้งโทสักพยาบาทเป็นครองใจได้ยาก แต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอนะจุดมุ่งหมายต้องไปให้ไกลกว่านั้นก็คือพระนิพพานนะพระนิพพานนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นะเสมือนกับเป็นจุดหมายในแะหวเป็นแนวทางให้กับพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นว่านะเมื่อจะสอนญาติโยมก็เริ่มต้นก็พาให้เขาได้เกิดมีความขันติความอดทนอดกลั้นต่อที่เหลือสิ่งยั่วยุและ เยา้ายวนและวจกนั้นต้องไปให้ถึงขั้นที่เรียกว่ามีพระนิพพานเป็นที่หมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตกผลทายไปเหมือนกันในคำสอนทางพุทธศาสนาในระยะหลังคำสอนของพุทธศาสนานี่ส่วนใหญ่ก็มุ่งเรื่องความสำเร็จทางโลกคืออยู่ดีมีสุขแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่ ให้ผู้คนได้เกิดศรัทธามีความเห็นคุณค่าของพระนิพพานบางคนก็ลืมไปเลยว่าพระพุทธเจ้านะมีสอนให้เอาพระนิภานเป็นจุดหมายของชีวิตหรือว่าถึงกับมองว่าเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องของผู้คนสมัยพุทธกาลแต่ก็มี้นันจะสอนท ร, รมาแล้วก็ตามนะก็ต้องมีควมว่า นิพพานเป็นจุดหมายในใจหลวงท่านต้องเป็นจุดหมายแห่งการดําเนินชีวิตของเราในฐานะชาวพุทธและผู้ปฏิบัติธรรมด้วยแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากการมีขันติเหอนกันลังจากนั้นแล้วพระองก็ในส่วนที่สามนะในส่วนที่สามพระง์ก็ได้แจกแจงวิธีการในการปฏิบัติปฏิบัตินะก็คือการไม่เบียดเบียนเป็นข้อแรกเลย การไม่เบียดเบียนนี่เป็นพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างเรากับกับผู้อื่นมนุษย์เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนนั่นอย่างแรกที่ต้องทำหรือว่าสิ่งเรียก ว, ว่าธรรมะขั้นต่ำที่เราต้องมีก็คือการไม่เบียดเบียนไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายแล้วก็ อันนี้พูดในแง่บวกในแง่ลบนะคือไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายในแง่บวกคือการสํารวมในปฏิโมกปฏิโมกในที่นี้ก็หมายถึงศีลหมายถึงข้อปฏิบั ต, ตนะิข้อกำหนดทางกายวิจานะปฏิโมนี่บางทีเราก็นึกไปถึงปฏิโมกของพระนะสองยี่สบเจ็ดข้อเรียพรกพิคุปฏิโมตนะิถ้าเป็นภิกษุนี่ก็ภิกษุนีป่ปฏิโมก ก็เป็นข้อกำหนดแต่ปฏิโมในที่นี้ก็ไม่ได้ใช้กับปราเท่านั้นแต่ในในโอวาทัปปิโมแตุ่่มไปถึงญาติโยมคารวาทั่วไปทั้งอุบาุบาศิกาก็คือการสำรวมในในกายวาจาประพฤตามาระเบียบปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์พื้นฐานที่มีต่อกันด้ดยกัน แต่ดูการพระองก็แนะนําเรื่องการเสพการบริโภคด้วยสิ่งของคนเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้คนนี้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งของพราะนั้นพระองคก็บอกว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคเราก็รู้จักนอนนั่งในที่สงบเงัดนะไม่ต้องใหญ่โตโอรานอักขรฐานนะแต่ว่าให้เป็นที่สงบเ ง, งียบนะไม่ใช่ทําให้เพลิดเพลินในการนอน หรือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกจนกระทั่งหลงไหลในสิ่งปลนเปล่สองข้อนี้ก็สาคัญนะสคัญมากด้วยแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเพื่อเกี่ยวข้องกับผู้คนแล้วด้วยการไม่เบียดเบียนเป็นเบื้องต้นแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบตามตามศีลตามธรรมแล้วก็รู้จักมีความสันโดษในการเสพในการใช้ สิ่งของปัจจัยสี่เป็นต้นนะสุดท้ายก็หันมาใส่ใจกับจิตใจตัวเองความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งนะทำจิตให้เจริญนั่นเองที่แรกเราก็ทำให้กายวิจาสะอาดนะด้วยศีลต่อมาก็ทำจิตให้สงบแล้วก็สว่างคือเกิดปัญญา อันนี้ก็ไปสอดรับกับที่พรุงได้ตรัสว่าธารมราชิของตอนแรกข่าวรอบอย่างที่บอกไว้แล้วว่าส่วนใหญ่ชาวพุทธเราก็รอดเลยข้อนี้ไเรื่องให้ทานเนี่ยคนไทยเราก็ทาเต็มที่เรื่องรักษาศีงก็ทำจริงจังน้อยลงมาหน่อยแต่เรื่องภาวนานี่ก็ เรียกว่าทำน้อยมากกลายเป็นสิ่งที่ตกผลทายไปในสํานิกนของชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ว่าได้แต่ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าจะทำให้เราได้รับประโยชน์แห่งความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ชำระจิตไม่ได้ฝึกจิตไม่ดีแล้วนะก็สามารถจะก็ยากที่เราจะได้รับความสุขความสงบ แล้วก็ทำให้ไม่มีพื้นฐานที่มั่นคงในการที่จะสงจิตสงใจและกายวาจาะให้ให้ถึงพร้อมด้วยศีลนะแล้วก็ไม่เบียดเป็นผู้อื่นตัวตถิปัตตัวัตวปัติมนูนี่ถ้าเราทำการเข้าใจนะกับเนื้อหาอยางทองแท้และนำไปปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตมากและมันยังมีความหมายต่อสังคมนึวปัจจุบันด้วย นะเพราะสังคมในยุคนี้เนี่ยมันเรียกว่ากำลังถูกโรคชนิดหนึ่งที่ระบาดหนักนะก็คือโรควัตถุนิยมนะกินตามเกียรติโรคนี้มันน่ากลัวกับเอดส์อีกนะเอดสนี่ก็มีคนเป็นไม่ถึงก็แค่ไม่กี่ล้านคนโรคมาเรียก็มีคน ตายมากกว่าเอกปีละเป็นล้านก็ว่าได้โรคปอดบวมก็น่ากลัวเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มียาเดี๋ยวนี้ยามันเริ่มตื้อยาแล้วแล้วคนตายก็เป็นล้านแต่ว่าให้โรควัตถุนิยมโรคตินการมเขียนนี่มันระบาดไปยิ่งกว่านั้นมนุษย์เราตอนนี้มีประมาณเกบพันกว่าล้านคน ที่ติดเชื้อติดโรคนี้ก็ที่ว่า8ปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็ตก็ว่าได้ก็คือว่าหลงไหลในวัตถุหรือเอาวัตถุเงินทองเป็นสราระแล้วก็เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่บริโภคนิยมแพร่บาดลุนแรงมากผู้คนก็หลงไหลในวัตถุหรือเงินเป็นเป้าหมายของชีวิตกพราคิดว่า มสุกจะเกิดได้กับข้อการที่ได้เสพได้บริโภคมากยิ่งเสพได้บริโภคได้ครอบครอมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความฝุขมากเท่านั้นนี่เป็นความเชื่อของคนทุกวันนี้แม้กระทั่ทงคนที่นับถือศาสนานนก็พระหลงก็ตกเข้าไปในมิจฉาทิตินี้ดยูเป็นจํานวนไม่น้อยและเมื่อมีความพิจารณนี้แล้วเนี่ยก็ก็พร้อมจะมอบตัวมอบใจ มอบชีวตให้กับการแสวงหาวัตถุเงินทองแลนะเพื่อสนองการนะเพื่อทำให้ได้เบริพกมากขึ้นมากขึ้นจรงทั่งสามารถจะชักนำให้ทำร้ายกันบางทีลูกค่าพ่อก็เพราะว่าแย่งมรดกที่ข่าน้องอรยศักหลังกันก็เพราะเรื่องเงินทองนะ หรือว่าอยอมทำชั่วออร์ดชั่นเนะี่ยคดโกงกันก็เพราะเงินทองนี่แหละอันนี้มันเป็นโรคที่ระบาดไปทั่วโลกมากเพราะคนไม่ได้เห็นคุณค่าของคําสั่งของพระพุทธองค์ที่ว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคให้รู้ว่านะาคนเราถ้ารู้จักประมาณในการบริโภคก็รู้จักพอชีวิตก็จะมีความสุขได้ง่าย แล้วเดี๋ยวนี้นี่ไอ้ความความโรคจกนกระทั่งยอมทําชั่วนี่มันก็แพร่ระบาดนะไปแล้วกระทั่งในหมู่พรพุทธนักปฏิบัติธรรมแลวการที่คนทั่วไปที่ไกลวัดไกลาศาสนาคดโกงหลอกลวงเรื่องเงินทองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้เพราะว่าเขาไกลาศาสนาแต่ว่า แล้วก็ทังชาวพุทด้วยกันที่เขาวัดทำบุญบางทีก็ติดเชื้อนี้มีเพื่อนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลจังหวัดในเล่าว่าที่โรงพยาบาลของตนเนี่ยเขามีนโยบายใหม่ที่เรียกว่าผีฟอปนะจะใครที่ติดตามข่าวก็เคยได้ยินว่ามันเคยเป็นเรื่องโต้แย้งกันนโยบายนี่คือว่า ให้ให้บุคลากรหมอพยาบาลเนี่ยได้รับเงินเพิ่มเติมตามปริมาณงานใครทํางานมากก็ได้เงินนะเงินเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือนจากเงินเดือนไปทําน้อยก็ได้เงินน้อยอันนี้ก็ดูเหมือนมันยุติธรรมดีแต่ที่จริงก็มีข้อสถกเถียเงินเยอะแต่ว่าเอาเป็นว่าโรงพยาบาล น, นี่ก็รับมาแล้ว แล้วก็เนื่องจากไว้ใจกันก็ให้ทุกคนเนี่ยกรอกเอาเองว่าได้ทำงานเท่าไหร่ก็ปรากว่ามีคนกรอกกันใหญ่เลยนะทำน้อยแต่ปรอกมากก็เกิดขึ้นนะมีหมอคนหนึ่งนะได้เงินเพิ่มขึ้นประมาณห้าหมื่นปกหมื่นบาทเพราะว่าปลอกปรอก ว่าตัวเองทำงานเยอะแต่ที่จริงทำงานน้อยมากเมื่อมีการไปทบทวนบอกว่าถ้าจะได้เงินห้าหมือนเนี่ยนะมันต้องต้องทำงานเนี่ยวันละสามทสี่ชั่วโมงเลยนะเรียกว่าโกงไม่แน่นอนเลยและทิมหน้าเศร้าหน้าเสียใจคือว่าหมอคนนั้นก็เป็นคนที่ชอบเข้าวัดชอบทำบุญด้วย นั่นเป็นไปได้ยังไงนะแต่ว่าเรื่องแบบนี้เราก็ถ้าสระดับตับฟังก็พบว่ามันมีบ่อยคนที่ชอบเขาวัดชอบทำบุญหรือปฏิบัติทําได้ซ้ำแต่ว่าโกงโกงเงินอันนี้มันเป็นเรื่องที่นะเตือนใจเราว่าให้โลบลายนี่มันน่ากลัวมากที่จริงจย่ว่าแต่ นักปฏิบัติทำเลยพระนี่ก็ก็ใช่ว่าจะปลอดพ้นจากโรคนี้นะเพราะว่าก็มีข่าวเรื่องการผลิตและการโกงกันยักย่อมเงินนะในหมู่พระบางหลายท่านก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำนขนาดนั้นแต่ว่าก็เอาเงินเป็นสารณะมี วันก่อนเมื่อที่ที่แล้วก็ได้ไปบรรยายร่วมกับคุณสศินเฉลิมลาภพวกเราหลายคนก็นรู้จักนะั่นจะเป็นคนที่อัดคานเกิดแ น, น้วงด้วยการเดินจากเกิดนหน้าวงลงมากรุงเทพแล้วก็มีคนมาร่วมเดินแกเป็นหมื่นเลยที่กรุงเทพแกก็เล่าว่าเนี่ยท่านพระสังฆ์ปอนอายุสามสิบนี่ได้ไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็ศรัท ธ, ธาพระร่วมหนึ่งมากท่านบอกว่าผมไม่เอาอะไรแล้วน พอฟังนี้งเราเกิดศรัทธานะแต่ดูไปสักพักท่านก็บอกว่าผมไม่เอาอะไรแล้วไอ้เงินทั้งหมดที่คนเขาถวายมาผมก็ไปซื้อหวยหมดไม่เอาอะไรแล้วแต่ตไปซื้อหวยทําไมใช่ไหม<อ>ก็เนี่ยนะดูฟังดูดีแต่ว่าเนี่ยไอ้ประทุนิยมหรืองอ้อแบบริโภคนิย่มันก็แพ ร, ร่ระบาดเข้ามาในหมู่ผู้คนนะก็ทั้งในหมู่วัด แต่เพาราะนี้ยังดีเขาก็แค่ซื้อหวยไม่ถึงกับไปโกงแต่นี้ก็เห็นได้ชั้นเลยว่าคาําสอนพระเจ้าที่สั้นๆถึงก็มาให้รู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยนะมันเป็นคําสอนที่สําคัญมากที่ไม่ล้าสมัยเลยเพราะว่าเน๋ยองว่าในยุคที่วัุนนิยมบริโภคนิยมครองเมืองครองโลกนะซึ่งการที่คนเราจะประมาณในการบริโภคได้นมันต้องกลับมาที่เรื่องการ ฝึกจิตภาวนาการนำรักจิตของตัวให้ขาวรอบหรือการมันในการประกอบติดให้ยิ่งการภาวนาเนี่ยมันต้องภาวนาไปถึงขั้นที่ลวงลึกจนกระทั่งขัดเกลากิเล็ของตัวเองการภาวนาถ้าเราภาวนาจะเพียงแค่ว่าทําให้ใจสบายผ่นคลายเนี่ยมันก็ ยังไม่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีภูมิคุ้มกันกับโรคร้ายที่ว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็นมีนักธุรกิจหลายคนแล้วก็สนใจเรื่องภาวนามากขึ้นในประเทศอเมริกาเนะี่ยมีคนสนใจเรื่องสมาธิภาวนากันมากมายนะเมื่อไอเกียติสเนี่ยนะนิตยสารทาไทมเนี่ยก็ขึ้นปก เป็นรูปผู้หญิงนั่งสมาธิแล้วก็พาดหัวว่าโวยพาดหัวว่า m i n d f u l n e revolution m i n d f u l คือการเจริญสติหรือการมีสติแต่ว่าการปฏิวัติอย่างมีสติหรือการปฏิวัติด้วยการเจริญสติที่เขาพาดหัวชิ้นนี้ก็คนอเมริกั น, นสนใจสมาธิภาวนามากขึ้นแต่ว่า เงินไม่น้อยก็มาทําสมาธิภาวนาะก็เพียงแค่ว่าเพื่อให้ใคลายเครียดให้ความเครียดลดลงออกจากการภาวนาก็ไปไปหาเงินหาทองไปไล่ล่าหาความร่ํารวยต่อไปหรือว่าไปเอาเปรียบคนที่มากขึ้นนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นจุดหมายของสมาธิภาวนาะแบบพุธสมาธิภาวนาะแบบพุทนี่มันต้องนําไปสู่การลดละกิเลส ทำให้กิเลสเบาบางทำให้ความยึดติดถือมันในตัวตนลดน้อยถอยลงนั้นถ้าเราภาวนาแล้วมีแต่ความสบ า, ายคลายทุกข์ปล่อยวางได้มากขึ้นแต่กิเลสไม่ได้ลดลงอันนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะถูกโรคร้ายที่ว่านี้มันครอบนแล้วถึงขั้นที่เรียกว่าทั้งโอกาสก็พร้อมจะทาชั่วได้ อันพะยัเดียวนี้เนี่ยเวลาจะเวลาเวลาเห็นใครเข้าขวัดเข้าวัดทำบุญให้ทานหรือแม้แต่ปฏิบัติธรรมนี่ก็ยังไม่ใช่เป็นเครื่องการันตีหรือเราปักันนะว่าเขาจะามีศีลมีธรรมอย่างแท้จริงเพราะขนาดบางคนที่เป็นหมอนะมีอาชีพที่ถือว่าสังคมยกย่อง แถมเขาวัดปฏิบัติธรรมก็ยังกระทําก็ยังโกงอยในขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวบางทีหมอคนนั้นก็อาจจะลืมเพื่อนนั้นก็อาจจะไปร่วมประท้วงกีฬาดำเนินเพื่อขับไล่นักการเมืองที่โกงตัวก็ได้มันก็มีน ะ, ะเพื่อว่าไปขับไล่นักการเมืองที่โกงแต่ตัวองนี้ก็ก็โกงเขาด้วยเหมือนกัน นี่เรียกว่าเพ่งโทษภายนอกจะลืมมองตนแตเดี๋ยวนี้มีคนมีเมืองเมืองไทยก็มีนักปฏิบัติธรรมกันเยอะนะแล้วก็จกรงทั่งผู้คนนี่ก็เกิดความสนใจปฏิบัติธรรมแล้วก็อาจจะเกิดความคาดหวังว่านักปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องมีศีลมีธรรม แต่พอเจอการปฏิบัติธรรมที่เห็นกก่ตัวเห็นกก่ตัวยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าโคตโกงนี่นะมันผิดศรรีลผิดกฎหมายดรร้วยซ้ำนี่เวลาเราปฏิบัติธรรมก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเราได้ขัดจังกิเลตไหมขัดจัดกิเลตให้ความมีกก่ตัวน้อยลงจนกระทั่งมีความเมตตากรุณามากขึ้นนอกจาก คนที่กโกงที่ไปเข้าวัดทําบุญให้ทานแล้วนี่บางทีเห็นกับตัวประเทศเราไม่มีน้ําใจก็มีนะทําบุญแต่ไร้น้ำใจก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายแลนะักปฏิบัติธรรมคนที่ชอบเข้าวัดทําบุญแต่ไร้น้ําใจนะที่โรงพยาบาลเดียวกันนี่ก็มีหัวหน้าพยาบาลคนหนึ่งแกก็ชอบเข้าวัดทําบุญนะ แต่ว่าวันหนึ่งลูกน้องขอแก่ซึ่งเดินเป็นพยาบาลที่ภาคใต้แล้วแต่ว่ามามาแต่งงานกับเล่ามาแต่งงานกับคนที่ภาคอีสานแล้วก็เลยมาเป็นลูกจ้างมาเป็นลูกจ้างไม่สามารถเป็นราชการพยาบาลได้เป็นลูกจ้างตอนหลังก็ป่วยด้วยโรคร้ายก็ต้องลางานลาจนก็ต้่งครบกําหนดก็ต้องออก ออกแล้วก็ไม่มีเงินใช้แต่ว่าโรค ก, ก็มันก็ลุกลามเพื่อนๆในโรงพยาบาลก็ช่วยกันเลี้ยลายยัง ก, ก็มีคนไปเลี้ยลายออเลียลายจากหัวหน้าพยาบาลหรืออดีตหัวหน้าอดีตหัวหน้าก็บอกว่าไม่รับผิดชอบด้วยไม่รับรู้ด้วยเพราะว่าหมดมันไม่ได้ไม่ได้รับผิดชอบเขาแล้วไม่สนใจที่จะช่วยเขาก็ทําให้เกิดความ เสียใจมากว่าันนี้ขนาดคุณนักศสพยาคนที่ก็เป็นคนที่ชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะแต่ทำไมาถึงไร้น้ําใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ยินทั่วไปมีบางรายนี่ไม่ใช่แต่ไร้น้ําใจกับคนที่เป็นอดีตรุ่มน้องนะและกระทั่งกั บ, กบลูกกับพี่น้องท้องเดียวกันก็ไม่มีน้ําใจอลตมาเคยไปเยี่ยม คนไข่คนหนึ่งจะเป็นมะเร็งที่พอที่โรงพยาบาลน้องความผสมโรเพยบาลก็ดูแลดีมากจนกระทั่งคนไข้าสามารถกลับไปที่บ้านได้แต่เราก็ต้องมีคนดูแลก็มีแฟนสาวมาดูแลเพระกอวกาโดนไล่โดนพี่สาวไล่พี่สาวปฏิบัติธรรมอยู่อีกวันใกล้ใกล้กัน ก็ไล่บอกว่าเนี่ยยังไม่แต่งงานกันจะมาอยู่ใกล้ชิดกันได้ยังไงผิดสขงข้อสามไม่รู้ผิดสีตรงไหนนะข้อสามนี่เพราะเขาแค่ดูแลกันเท่านี้อรงพยาบาลเอาไม่ว่าอะไรพยาบาลก็พร้อมีใครดูแลพยาบาลก็เลยไปติดต่อพี่สาวคนนี้เรามาช่วยดูแลน้องชายหน่อยพี่สาวนี้ก็ปฏิเสธบอกว่า เป็นกรรมของเขาเรื่องรับกรรมเองฉันจะปฏิบัติทำต่อไปก็คือเธอปฏิบัติทำอยู่ที่วันนั้นปฏิบัติทำอยู่วันนั้นแล้วไม่มีน้ําใจต่อน้องชายซึ่งกําลังเจ็บป่วยแล้วก็แล้วก็วกม่ได้เาใจนะว่การช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยรวมทั้งน้องชายนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งไปเชื่อการปฏิบัติธรรมก็ต้องนั่งหลับตาหรือว่าเดินจงกรมเท่านั้น มันก็นทำให้เกิดความสงสัยว่าปฏิบัติทำยังไงถึงมีความเพ่จแคตโตแบบนี้ทำไมปฏิบัติถึงมีความไร้น้ำใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สมาดิยินมาบ่อยๆมีคนมาเล่าให้ฟังว่ามันมีปฤติกรรมแบบนี้ซึ่งแสดงเห็นว่าในการการเข้าวัดของคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะมันต้องมีความผิดพลาดแน่ก็คือว่าทาแต่ลูปแบบ หรือไม่ก็ไม่เข้จใ จ, จมุงม่งหมายการปฏิบัติในพุทธศาสนาะคือเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวเพื่อจะได้มีเมตตากรุณาที่จริงถ้าปฏิบัติตามคําสอนพุทเจ้ายัางที่หลวงปู่ตัดไปในโอวาทพระปฏิโมนเนี่ยนะความเห็นแก่ตัวก็จะลดลงนะความเมตตากรุณาจะมากขึ้นเป็นความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ยังไม่มีประมาณดูย่างนี้นะ ก็มีบางคนเรียกว่าวันมาคบูชานี่ก็เป็นแห่งความรักเหมือนกันแต่ไม่ใช่วันแห่งความรักแบบ ว, วันบารเรนไทายความรักแบบความรักแบบบารเรนไทนยเป็นความรักที่เอาตัวเปมีศูนย์กลางมุ่งที่จะอห า, อาความสุขมาปรนโปรต์ตนเป็นความสุขทางเนื้อหนังทางการมาราคะที่มุ่งประโยชน์ตนเป็นหลักอาจจะไม่อัศจรรย์ไม่มีความรับิดชอบ ต่อใครเลย ก, ก็ได้แล้วก็ทั้งคู่ของตนแต่ว่าวันมาฆบูชานี้เป็นวันแห่งความรักที่บริสุทธิ์เพื่อความแห่งความรักที่เสียมไม่ได้เมตตาที่มุ่งปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์แต่ว่าเป็นหลรงความเมตตาความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเนี่ยนะมันเป็นเครื่องชี้วัดถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของเราชาวพุทธ ถ้าเราชอบพุทปฏิบัติทำแล้วความเห็นกับตัวไม่ได้ลดลงหรือกลับเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าถอยหลังปฏิบัติผิดพลาดนะเราจะเราจะเราจะแน่ใจได้ว่าการปฏิบัติของเขาเราจะเห็การหน้าส่วนหนึ่งก็ดูจากการที่เรามีเมตตากรุณามากขึ้นมีความเห็นกัรตัวน้อยลงนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจําไว้ในใจ ลำพังแค่มีความสงบอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะถ้าสงบแล้วไปเอาเปรียบคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น น, นั่นนมันก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติทำตามพุทธศาสนาแต่ในทางตรงกันถ้าเกิดว่าไปเก้เอเก้อเก้อคุณพูดแล้วเกิดความเห็นเกิดความหลงตัวลงแปลว่าฉันแน่กว่าคนอื่นฉันมีน้ำใจดีวจาาาากว่าคนอื่นฉันมีจิตอาสามากกว่าคนอื่นอันนี้ปกตินะเพราะว่ามันมันมีมานณ์เข้ามาครอบงำ คนที่หลงตัวลืนตวนว่าตัวเป็นคนดีประเสริฐคนอื่นอันนี้ก็แสดงว่ากําลังถูกกิเลสครอบงําแล้วมันต้องกลับมาเล่นงานกิเลสตัวนี้ในเพื่อที่ได้ไม่ไปดูถูกดูแคลงคนอื่นในความเมตตาที่สําคัญกันนะเพราะว่านอกจากกินการเกลียดแล้วตอนนี้มันก็มีโรคใหม่กําลังระบาดไปทั่วเหมือนกันก็คือ โ, โรคโกรธเกลียดกลัว มือนไทยตอนนี้โลกนี้คนละบาทหนักมากนะมีความการแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายโกรธเกลียดเกลียดชังกันถ้าหาวคิดที่เหมือนตัวแล้วก็ถือว่าเป็นศัตรูคนที่เคยเป็นเพื่อนกันก็นกไม่คบค้าสมาคมกันแล้วเพราะมีความคิดทางการเมืองคนละฝ่ายคนละแนวส่รนะ้ายใส่สีกันด้วย คามเห็นเพาะความเห็นที่แตกต่างกันและพราะความแตกต่างทางความเชื่อหรือว่าความแตกต่างทางภาษาทางศาสนาอันนี้ก็เกิดขึ้นกับทจ่อื่นมากมายทั่วโลกัาการิงการเกร็บนี่กนักแล้วนะมันมีปวดเจ็ยกตัวเข้ามาอีกใน ท, ที่บ้านเมืองเราเกิดความวุ่นวายเกิดความรุนแรงกันตั้งแต่สามส่วดภาคใต้ลงมาจนถึงเชียงใหม่ภาคเหนืออีสานตรวมทั้ง มีบางคนพูดบางกัา ว, ว่าขอแยกประเทศจากกรุงเทพ น, นี่ก็เพราะว่าความโกรเกลียดกูมันลุกลามระบาดมากพูดภาษาเดียวกันนับถือาษศาสนาเดียวกันแต่่ากลายเป็นสตัตรงกันไปแล้วเพราะว่ามีความเห็นความเชื่อทางการเมืองแตกต่างกันอันนี้ก็เพราะว่า การที่เราลืมคำสอนของพระพุทธองค์นั่นเองการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายนะการไม่เบียดเบียนกันการชำระเสี่ยงของสัวในขาวรอบ ก, การประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเหล่านี้นี่มันช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อโลกกินการเกียดและโลกโกรธเจ็กดกลัวได้ยันสาระสำคัญของพระุธองค์ ในเรื่องวันมาคบูชาหรือวันสัปปิมวันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราไม่ควรจะมองข้ามทจริงแล้วเนี่ยวันเย็นเดือนสามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นวันสําคัญที่วันมาคบูชาหรือวันที่พระพุทธองค์ได้หรือวันที่ภาษารีบุตรได้รู้ธรรมเป็นพระอรหันตานั้นอีกการสำคัญอีกอย่างที่เรา อาจจะเคยรับรู้แต่ว่ามัน จ, จะลืมเลือนไปก็คือว่ามันก็เป็นวันเดียวกับที่พระรูปทงได้ทรงทรงประชวรมายุสังขารทรงประชวรมายุสังขา น, น, าขานหลังจากพรรษาสุดท้ายที่เวรุกข า, ามก็วันที่เดือนสามนี่แหละนะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยอีกสามเดือนจากนี้นะพระองค์ก็จะประดิษนฐนาน แล้วก็พวงกษเดจไปยมกุสินาลาแล้วก็ริณิพานที่นั่นวั น, นวที่เดนสามคืรวันที่พรงพรงประชนาอายุสังขารและญาี่มานมาอารัธนามาทวงเอาคำ ม, มันสัญญาว่าเมื่อพระพรทองค์ได้อสอนธรรมจกนกระทั่งมีมีภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาที่รู้ธรรมรงจำทำตรงจำทำได้ปฏิบัติธรรมโดยชอบ เคยแพททำสามารถเชียร์กาตัวแย้งนะฝ่ายตรงข้ามหรือพวกที่ต้องทำลายได้แล้วเนี่ยองก็จะระดิบผ่านมานก็มาทวงองค์ก็เลยองนะรงประชวมอยูสังขาร น, นี่ก็มันเป็นเทวนูสามเหมือนกันอนะงค์ป ร, งประชวรมอยูสังขารที่ปาวาละเจ ด, ดี อสองเหตุการณ์ก็คือวันที่ที่สุพรรณสิริรูปมาพบกันโดยไม่ได้รับหมายกับเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงประชนม์่รังขานนี้ก็เรียกว่าแตกต่างกันมากนะเหตุการณ์แรกนี่เป็นเหตุการณ์มันเสมือนกับว่าเป็นเหตุเป็นจุดเรื่องต้นของการจเจริญเติบโตเผยแผ่ตัวาศาสนา จากพระสงฆ์เพียงแค่120รูปนี้ก็ทําใไม่มีบาราหันตาใหม่มากมายนับไม่ถ้วนบระหันแล ะ, ร, ะริยาจาร์ทั้งหลายนับไม่ถ้วนตอนนั้นพระองค์อายุเพียงแค่35อย่าง36กำลังมีงกําลังวังชามากเรียกว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นของพระพุทธองค์แล้วก็ของพระพุทธศาสนาแต่ว่าตอนที่พระองค์ องค์ผูชมที่สังขารนี้นะก็อยว่าช่วงขาลงนะพระองค์อายุแปดสิบแล้วใกล้แปดสิบกับเราบังชาอ่อนล้าแล้วก็พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะสอนทำให้กัใครได้มากก็มีพระอรหันต์เพียงแค่รูปเดียวที่พรธรรปทำอนที่พระองค์จะตัดสตอนที่พระองค์จะไปนิพพานก็คือระสุขพัดทานเป็นเหตุการณ์ที่ขดสุแตกต่างกันมากแต่ว่าก็สอนทำให้กับเราได้เหมือนกัน สนทำให้เราได้ตระหนักถึงความจริงของชีวิตว่าแม้กระทั่งพืช เ, เจ้าก็ก็ยังไม่อาจจะหนีกหนีความแก่ความเสก็บและความตายได้ตอนที่พระอานนท์ได้ทราบพระพุเจอได้ปรงุงประชุมอย่สังขารแล้วก็มีความเสียใจปรุงก็ได้สอนได้บอกพระอานนท์ว่าเป็นธรรมดาของชีวิตนะอะไรที่มัน นี้ขึ้นแล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปแต่ห้ามไม่ได้แล้วพระองค์ก็สอนว่าให้ให้เอาให้ทําตนให้มีที่พึ่งองค์สาวันเนี่ให้จงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งนะที่จริงนี้พระองค์เคยสอนพระไตรบุตรธอยู่ล้ตอนที่พระไตรบุตรธตอนเคยสอนพระนอนอุทิวาตอนที่ได้ข่วพระไตรบุตรได้ปรินิพานอ้อหนูก็รำไห้พระองค์ก็บอกพระนอนุว่า ตรงมีคนเป็นเกาะมีคนเป็นที่พึ่งตอนนี้พระองค์ก็ย้ำกับพระโนยเช่นกันว่าตรงมีคนเป็นเกาะมีคนเป็นที่พึ่งหมายความว่ามีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งนะในวัาสงสารนั้นไม่มีประมาณเนี่ยมันเป็ทะเลนะซึ่งจะเป็นอันตรายก็ขึ้นมาที่เกาะได้ก็ปลอดภัยแล้วพระองค์ก็บอกประสงค์แล้วว่า สำคัญทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทถึงพร้อมทีิตดประโยค์นี้พระองค์ก็ไก่ซ้ำอีกครั้งเป็นปักจิมวาจาก่อนที่จะเสด็จไป น, นิพพานแต่พรองค์ได้กล่าวเป็นครั้งแร ก, กตอนเนี่ยตอนที่พระได้ปรงประชนมิสังขานก็ประชุมสงฆ์ก็ถามว่ามีใครสงสัยอะไรไหม มีใครสงสัยก็ได้โอกาสที่ต้องเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะถามระองท่านทพื่อช่วยอธิบายกันแย่งทีม่มีใครสงสัยพระองก็เลยนะตัดเรื่องเนี่ยการไม่ประมาทสังคัญทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาทั้งหลายตรงงความไม่ประมาทถึงทอนเอิดอันนี้ก็เป็นธรรมะข้อสําคัญนะสําหรับห น, หนึ่งในวันเิ็นเดือนสามไม่ใช่แค่โอวาสตัปทิโมเท่ น, นั้น วัตถบันิโม่นั้นเป็นหลัก พ, พ่อปัจจตนะในการพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้คือการยอมรับความจริงของชีวิตไม่ใช่เพื่อหดบูดข้อแท้แต่เพื่อให้เกิดความไม่ประมาทและคนไายในการทาความเีลี่ยนเมื่อเรา เมื่อเราเมื่อเราเอาธรรมะสองสองเหตุการณ์นี้มาประกอบกันก็ mm hmm. จะพบว่าเสริมกันได้ปกติเนะพราะว่าเมื่อเราสนับว่าชีวิตเรามันไม่เที่ยงเราจะตายที่รอเวลาเราจะจะมุ่งหน้าหาหาเงินหาทองหาทรัพย์สมผลไปทําไมในเมื่อมันไม่เอาไปตายไปก็ไปในได้ เราควรตั้งนาตั้งตาบเป็นความเพียรด้วยความไม่ประมาทและความตระหนักถึงความไม่ฉลาดเยี่ยงนีของชีวิตนี้แหละที่ทำให้เราเกิดความเป็นการกระตุ้นเราให้เราเกิดความเศร้าเสียนในการที่จะทำคุณงามความดีและสุขสนุกพัฒนาคน เพราะฉะนั้นเนี่ยจึง อ, อยากจะให้เราได้พิจารณาในคืนที่สำคัญนี้ให้เราได้พิจารณาคาสอนของพระทองค์ทั้งในสองเหตุการณ์นี้นะเพื่อมาเป็นมาเป็นแนวทางในการดเนินชีวิตและเพื่อเป็นแงนงนรงขับเคลื่อ น, นให้ให้มุ่งหน้าสู่การฝึกผลพัฒนาตนเองควบคัดต่อจิตใจให้มี กิเลสน้อยลงมีความหกึดตัวน้อยลงเ้าถึงความสงบมากขึ้นมีเม่ตากรุณาต่อผู้คนยึดติดถึงมั่นในวัตถุให้น้อยลงนะเพื่อโดยทั้งนี้โดยมีพระนิพฐานเป็นทีศหมายแล้วคำนี้ก็พูดกันตอนนี้